ฉันคะ ใ, ในช่วงแรกอาคาระค่ะที่จะกับริถีทางระจ่างก็อยากบบจะได้ ใ, ให้ให้กราจ่างเอ่อเมตตาที่ได้จะค่ะให้ให้ใจว่าในการทำหนังสือเนี่ยเอ่อส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยจะเป็นหนังสือที่เราทำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะมีความเป็นมาของเอ่อพระรามสาริกาธ า, าเป็นอย่างไรและคุณะละักษณะ ของพระธาตเป็นอย่างไรแต่ในหนังสืเอเล่มนี้จะมีความแตกต่ตางก็คืออยากให้พระอาจารย์เนีนอธิบายว่ า, าการที่เราจะนํามาเชื่อมเพืดึงให้พุทศลสังฆชนเรามีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสามารถเชื่อมมาได้อย่างไรคะที่มาสอบถามว่าการทําหนังสือเกี่ยวกันในเรื่องของ อย่างยกตัวอย่างที่บอกว่าเป็นหนังสือพระาธาตุหรือพระบรมาธาตุที่เป็นพุทธรัตนคของแผ่นดินหนังสือลักษณะนี้เป็นหนังสือในเชิงของประวัติศาสตร์ก็หมายความว่าบอกความเป็นมาของพระาธาตุของพระบรมส า, ารีริกาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรจุอยู่ในพระเจดีย์ต่างๆที่สำคัญสาคัญในประเทศไทย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 งดงามเนี่ยแต่ถามว่าพระเจดีย์ก็ดีพระบรมสารีริกธาตุก็ดีพระพุทธรูปพระพุทธรูปก็ดีเนี่ยที่จะมีความงดงามออกมานั้นเน่มันบ่งบอกถึงว่าบุคคลที่จะจัดสรรออกมาเป็นความงดงามข้างนอกได้ก็ต้องมีการตกแต่งความงดงามร้อยเรียงความงดงามให้อยู่ในใจของบุคคลเหล่านั้นแล้วถึงสามารถผักดันออกมาเป็นความงดงามข้างนอกได้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 ทรงลังกงลังกาหรือทรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมากมายที่เราเห็นกันตลอดถึงว่าเมื่อเราเห็นสภาพของพระเจดียก็ดีพระพุทธรูปปางต่างๆที่มีความสวยสดงดงามจะสร้างตามแบบของอะไรยุคไหนนะไม่ว่าจะเป็นยุคทโรวารวดีหรือก่อนหน้านั้นหลังมาอะไรก็แล้วแต่รัตนโกสินทร์อู่ทองก็ว่ากันไปอยุธยาเนี่ย การที่สร้างกันแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นน่ยจริงๆแล้วน่ยบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความเป็นมาบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์บอกบอ ก, บ, อกบ่งบอกเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดแต่เราจะสามารถอ่านพุทธศินเหล่านี้หรือว่าภาพต่างๆเหล่านี้ออกมาเป็นความงดงามหรือว่าความรู้ความเป็นมาของคนในแต่ละยุคแต่ละยุค ที่เขากําลังเป็นยังไงทําอะไรกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นบางยุคบางสมัยก็จะสร้างพุทธลูบในลักษณะที่บึกบึนแข็งแกร่ ง, งก็บ่งบอกได้เลยว่าในยุคนั้นอา่ามนุษย์เนี่ยในยุคนั้นบ่งบอกถึงความเข้มแข็งอดทนนะในการที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอะไรก็ว่ากันไปบางยุคบางสมัยก็สร้างในลักษณะความอ่อนช้อยความงดงามภายในวิจิตรจงก็บ่งบอกถึงคนในยุคนั้นน่ะว่ามีความ งดงามทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีทั้งด้านสภาพจิตใจยังไงก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดเหล่านี้สื่ออะไรเขาสื่อเรื่องลักษณะมหาบุริสราขณะเป็นต้นตลอดถึงความความงดงามทั้งหลายเขาจัด ก, การยากว่าเมื่อเขาศรัทธาในพระพุทธเจ้าองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ต้องการอยากจะทําสิ่งที่ดีที่สุดที่จะบูชาสิ่งที่มีค่าทางด้านของ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 ได้สามารถเจาะทะลุทะลวงไปเห็นคุณของพระพุทธเจ้าได้เห็นคุณของพระธรรมเห็นคุณของพระดยสงรรมไม่ใช่ไปติดอยู่เพียงแค่อิฐหินดินปูนหรือแค่รูปภาว่างามงามจริงหนองามจริงหนอแล้วก็กลับกันมานั้นควรจะทำให้มากกว่านั้นทีนี้การที่จะทำให้มากกว่านั้นเนี่ยพระเจดีย์มีความงามอยู่แล้วพระพุทธรูปมีความสวยสดงีงามอยู่แล้ว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 เจาเข้าหาสาระธรรมก็คือเข้าถึงศรัท ธ, ธาได้เข้าถึงความเพียรได้เข้าถึงสติได้เข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาหรือเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นดางถ้าหากว่าองค์ของพระเจดีซึ่งเป็นพระบรมาสลีลิขธาตุถามว่าพระธาตุเนี่ยพระบรมาลีลิขธาตุคืออะไรอัตถิธาตุก็คือกระดูกของใครของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งบรรจุอยู่ในพระเจดีย์นี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกบอกว่าองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่นี้ณแดานนี้ตั้งแต่เวลาเป็นพันๆปีมาแล้วถามว่าพระองค์มาในฐานะเป็นพระบรมสารีริกธาตุมาเพื่ออะไรมาเพื่อโปรดเวนัยชนคนที่มีบุญทั้งหลายได้เข้าไปสักการะไปบูชาไปเคารพไปนอบน้อมคาว่าสักการะบูชานอบน้อมคืออะไร ยกตัวอย่างเช่นคำว่าพุทธังสะระนังกัชามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกหรือว่าอย่างเหมือกนกันว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระรหารไกลจากกิเลสคือราคาโทสามโมหะดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดสรุ้อริยสัจสีได้ด้วยตนเองใช่ไหมแล้วก็พุทธังสรนังัชฌามิข้าพเจ้าอภิวา พุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแปลว่าอะไรเวืเราไปกราบเนี่ยอภิวาสในที่นั้นแปลว่าข้าพเจ้าจะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเข้าถึงความเป็นพุท ธ, ธก็หมายความว่าตัดสั้นระยะสั้สีตามพุทธเจ้าตื่นจากความหลับไหลคือกิเลสคือราคะโทสะโมหะแล้วก็เป็นอิสระเสรีภาพจากความที่ไม่ต้องเป็นทาสของกิเลสต่อไป ถ้าเราเข้าถึงอย่างนี้เราก็ต้องสื่อความหมายให้เข้าถึงว่าไม่ประวัติศาสตร์ที่รู้มาเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วแต่ท่านทั้งหลายจงเจาะประวัติศาสตร์ทะลุทะลวงประวัติศาสตร์หรือพุทธศาสตร์เข้าถึงสาระธรรมก็คือเข้าถึงศรัทธาให้ได้เข้าถึงความเพียรให้ได้เข้าถึงสติสมาธิปัญญาให้ได้ อยากที่ว่าไม่มีศรัทธาท่านทั้งหลายจงขจัดความไม่มีศรัทธาออกไปด้วยความเป็นคุณผู้มีศรัทธาให้ตั้งมั่นศรัทธาในอะไรศรัทธาในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้ได้นั่นคือวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของพุทธพุทธบริษัทไม่ใช่อยู่แค่ประวัติศาสตร์ท่านจะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองทําศรัทธาให้เข้าไปเชื่อมั่นพระปัญญาญาณของพระพุทธเจ้า พอไปศรัทธาในพระปัญญายานของพระพุทธเจ้าแล้วจากการเห็นองค์ของพระพุทธเจ้าที่มาในฐานะพระบรมสารีริกธาตุเป็นต้นหรือมาในฐานะเป็นอุเทศิกาเจดีหรือพระเทลุ่หรือในฐานะเป็นรอยฝ่าพระบาทเป็นต้นที่มาประดสิสถานอยู่องค์ของพระพุทธเจ้าตรงนี้เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วพระองค์มาประทับอยู่หน้าที่ตรงนี้แต่ไม่ควรมาติดอยู่เพียงแค่นี้ต้องสามารถมีศรัทธาไปเชื่อมั่นปัญญายาณเพราะในพระธาตุนี้ พระบรมสารีรกธาตุนี้เคยเป็นที่ตั้งของพระยานพระสัพพัญยตยานของพระเจ้าอนาวรณญยานของพระเจ้าอินทรียาปโรปริยติยานเป็นต้นจนถึงมหากรุณาสมาปฏิยานที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อหมูสัตว์พระธาตุนี้เคยจาริกไปทั่วชมพูทวีปจาริกไปโปรดเวนยสัตว์มากมายบัดนี้พระคุณเหล่านั้นก็ไม่ได้จางหายไปเลย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 ฝึกฝนตนเองมาอย่างยาวนานจนในที่สุดสามารถตัสรู้ได้นี่คือมนุษย์ท่านแรกนี่คือมนุษย์ต้นแบบเราต้องสามารถรักพระพุทธเจ้าในฐานะว่าเป็นบุคคลต้นแบบของเราแล้วเราก็จะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธะสามท่านได้ถ้าอย่างนี้มันถึงจะชัดถ้าเราทําอย่างนี้มันชัดในฐานะที่เราเนี่ยเป็นพุทธเวใน เป็นสาวกเวไนย์ก็หมายความว่าเป็นสัตว์ที่จะตัดสรู้ตามพุทธเจ้าหรือจะรู้ตามพุทธเจ้าก็คือเชื่อมั่นในพระปัญญาคุณถ้าอย่างนี้มีพลังไม่ใช่แค่ประวัติอย่างเดียวแล้วพอเข้าไปพบจากไม่มีศรัทธาทําให้มีศรัทธาเชื่อมัน่นทีนี้พัฒนาจากความเชื่อมัน่นจากอ่อนแอโคตรถูท่อถอยกลายเป็นคนเกล้ากล้าอาถานจากเป็นคนเลอะเลือนอยู่ไปวัน ไม่ประมาทมัวเมาปล่อยสติให้ขาดหลุดลุย่ยตลอดแต่พอไปเห็นสั ญ, ญลักษณ์ของบุคคลที่เป็นเอกบุรุษของโลกเป็นนาถะของโลกเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างนี้ปุ๊บมีกําลังใจมีสติกํากับอยู่กับตัวตื่นขึ้นมาไม่หลับไหลมีสติกํากับอยู่กับตัวในฟันเปือนไม่เลือนหลงจากที่เป็นคนฟุ้งซ่านไปฟุ้งซ่านมาจับจดอะไรเอาอะไรแน่นอนไม่ได้กลายเป็นคนมีความตั้งมั่นแหง่งจิตจากไม่รู้ แต่เราก็แสวงหาความรู้จากคําสอนไปตั้งอัธยาศัยว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาตัดสู้เป็นผู้มีศาสนาเป็นผู้มีศีลปรารถนาจะตัดสู้ตามพระพุทธเจ้าฉะนั้นข้าพเจ้าจะอะไรที่เป็นพระธรรมคําสอนพระพุทเจ้าข้าพเจ้าจะฟังแล้วข้าพเจ้าจะทอถอยหดหู่เมื่อไหร่ข้าพเจ้าจะมาเฝ้าพระเจ้ามาได้ทั้งศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญา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 ดำเนินไปตามสัมมาทิฏฐิจะถึงสมาสา ม, มาธิเป็นที่สุดก็ดําเนินชีวิตของตนเองไปตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้กาก็เลยมีธรรมะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตมีพุทธธรรมะสังฆะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตจากการมาไหว้พระเจดีย์ไหว้พระพุทธรูปเห็นร่องรอยของอริยธรรมที่มีความงดงามในอดีตมองผ่านอิดผ่านปูนผ่านวัสดุ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 สมาธิเป็นความงามในทถ้ำกลางเพราะทําให้สภาพจิตใจของมู่สัตว์ทั้งหลายมีความแข็งแรงตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไม่หดหู่ท้อถอยมีความตั้งมั่นมีความแข็งแกร่งมีความสงบมีความสุขมีความเยือกเย็นนั้นจึงเป็นความงามในทถ้ำกลางปัญญาเป็นความงามอันสูงสุดเพราะขจัดความมืดบอดขจัดความพลความขาวความโง่ความไม่รู้สามารถเข้าถึงความดีงามเข้าถึงความประเสริฐเลิศได้อ๋อ ศีลเป็นความงามในเบื้องต้นสมาธิเป็นความงามในท่ามกลารปัญญาเป็นความงามอันสูงสุดนี่คือพระธรรมพอไปกราบเราจะเข้าถึงความงามในเบื้องต้นของศีลความงามในท่ามกลารของพระธรรมความงามอันสูงสุดคือปัญญานน้นได้กราบพระเจดีย์กราบพระพุทธรูปแล้วก็ไปตั้งปณิญาณว่าจะฝึกฝนพฤติกรรมจิตใจปัญญาตเองให้เท่าถึงความงามสูงสุดของพระธรรมให้ได้ ขอพระพุทธเจ้าพระธรรมบริยสงฆ์จงจํำข้าพเจ้าไว้ณบัดนี้เพืมื่ก็เข้าถึงได้จริงๆไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ละครได้ความมุ่งมั่นได้ความตั้งมั่นแห่งจิตเมื่อการต่อมาพระสงฆ์สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆถามว่าพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกพระพุทเจ้ามีพระโสตบันพระสกัทาคาพระนาคาพระหัน์อริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรง ปฏิบัติสมควรแก่การที่จะบรรลุอริยธรรมทั้งหลายเป็นต้นตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นปุถุชนคนที่มืดบอดมืดหนาด้วยกิเลเอเสรอคติรรกมข้าพเจ้ามาสักการะมาบูชาพระเจดีย์พระพุทธรูปเป็นต้นเหล่านี้ข้าพเจ้าขอปฏิญญาจ่าต่อหน้าพระรัตนตรัยว่าจะฝึกตนเองจากปุถุชนคนมืดบอดเข้าสู่ความงามของหมู่อริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นให้ได้เป็นต้นเห็นไหมถ้าไปอย่างนี้ปุ๊บ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 เปลี่ยนจากไม่มีศรัทธามีศรัทธาออนแอทําใหา On air า้เกล้ยกล้าหลงลืมสติให้มีสติฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาให้มีปัญญาเปลี่ยนจากคนที่ดําเนินชีวิตผิดพลาดมาดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามถ้าอย่างเนี้ยมันจะมีค่ามากซึ่งควรทํำไหม <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมนี่ก็ก็ให้มุมคิดไปว่าเราควรจะมีหนังสือที่มีชีวิตชีวาไม่แข็งกระด้าง แล้วก็อ่อนโยนในการที่นำพาชีวิตของเราเข้าสู่สิ่งที่ดีงามเห็นของมีค่าอยู่แล้วพระบรมธาตุเป็นพุทธรัตนะของแผ่นดินมีค่าอยู่แล้วแต่จะมีค่ามีค่าในตัวของพระธาตุมีค่าในตัวของพุทธเจดีย์มีค่าในฐานะพุทธรูปอยู่แล้วแต่จะมีค่ามากเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้ประกาศ เกิดจ้าเปล่งรัศมีแห่งวัฒธรรมคือศีลสมาธิปัญญาหรือรัตนะออกมาสู่กระแสะชีวิตของบุคคลที่เข้าไปเฝ้าเข้าไปบูชาจะมีค่าคือตรงนั้นไม่ใช่ว่าไปเชยชมว่าพระพุทธเจ้าสุดยอดพระธรรมสุดยอดพระสงฆ์สุดยอดแต่เรายังสุดแย่อยู่เลยไม่ได้ใช่ไหมเราจะต้องรัตนะความงดงามเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเปล่งรัศมีจะต้องเป็นน้ามาฉลมราดรดกระแสะชีวิต ของหมู่สัตว์ที่เร่าร้อนให้เข้าสู่ความเยือกเย็นและชื่นช่ำในการที่กระเสือกสนดิ้นรนด้วยอํานาจของกิเลสต้องสามารถขจัดความความโสโปรกคือราคะโทสะโมหะหรือทกจริตทั้งหลายออกจากใจสัตว์ออกจากกระแสที่ติสัตถ์ได้จริงถึงบอกว่าพระพุทธเจดีต้องมีชีวิตพระพุทธรลปต้องมีชีวิตขึ้นมาใพะพุทธสถานทั้งหลายต้องทําให้มีชีวิตขึ้นมาในการที่จะประกาศหลักการของพระรัตน์ไตร ทำให้บุคคลทั้งหลายที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้แล้วเข้าไปไปเข้าไปหานั้นได้เกิดความชื่นใจแล้วก็ได้รับไออ่นได้รับแนวทางของการศึกษาและปฏิบัติในการที่นำตนเองให้หลุดลอดออกจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเ็สิ่งที่ดีงามเลิศประเสริฐให้ได้พระรัตนตรยัยพุทธรัตนะหรือพระบรมธาตุเป็นรัตนของแผ่นดินงดงามอยู่แล้วแต่เราต้องเป็นสะพานเชื่อม หนังสือก็ดีสื่อทั้งหลายก็ดีต้องเป็นสะพานในการที่จะเชื่อมโยงให้บุคคลเหล่านั้นเดินเข้าถึงศีลรัรตนะสมาธิรัตนาและปัญญารัตนะให้ได้เป็นพุทธรัตนะของแผ่นดินเนี่ยเป็นรูปธรรมอย่างเดียวไม่พอต้องให้เป็นนามาธรรมก็เป็นศีลสมาธิปัญญาและต้องให้คนที่เข้าไปนั้นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ได้ดื่มด่ำได้แล้วก็เข้าถึงความสุขได้ถ้าอย่างนี้มึงจะชัด ถ้าอย่างนั้นมันก็ห่างไกลแล้วไปฟ้าพระเจ้าไม่ถึงไปถึงพระเจดีย์ก็ได้เห็นแค่ทางตาทางหูหรือได้รับรู้บรรยากาศแล้วได้อะไรต่อไม่ได้มันต้องสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าพระคุณของพระองค์มีอยู่แล้วพระคุณของพระธรรมพระเริยสงฆ์มีบริบูรณ์อยู่แล้วเหลืออย่างเดียวว่า เราต้องไม่ชักสะพานเราต้องเชื่อมสะพานให้เข้าถึงทุกวันเนี้พวกเราไปตัดแค่ประวัติศาสตร์เนี่ยสะพานมันถูกตัดเราไม่สามารถเดินข้ามเข้าไปถึงฝั่งคือพุทธรัตนนธรรมรัตนนาสังฆรัตนนาได้ฉะนั้นหนังสือที่จะทํามาก็ดีหรือสื่อทั้งหลายทำมาเป็นตัวเชื่อมสะพานที่ตัดเป็นสะพานหัวด้วนเนี่ยเชื่อมให้ถึงฝั่ง คนที่ได้เดินเข้าถึงนะเดินข้ามฝั่งไปแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าทำประสงค์ได้จริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่ว่าเราเป็นตัวเชื่อมเราเป็นสะพานเชื่อมตอนนี้มันยังเป็นสะพานหัวด้วนอยู่ดีไหมดีมันมาครึ่งคลองแล้วก็ต่อ้มันต่อให้บริบูรณ์ซะทีถึงมันจะยากยังไงก็อย่าท้อจงทำสิ่งนะอื่นที่บุคคลอื่นทาได้ยาก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 ที่เขาเดินไม่ได้เขาจะได้เดินได้ที่เขาเข้าข่าพุทธเจ้าไม่ได้เราจะเข้าได้ทําตัวเชื่อมสะพานเชื่อมให้เขาเดินเขา้าเข้าหนังสือเป็นเหมือนสะพานหนังสือเป็นเหมือนกาลยาณมิตรหนังสือเป็นมักคุเทศเขาถ้าไม่มีมักคุเทศคือบทความข้อความเนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะเห็นแสงสว่างได้หรือเดินทางได้ถูกได้เดินเข้าข่าพพุทธเจ้าไม่ถึงสักที ไปชนอิดบ้างชนปูนบ้างชนวัตถุโบราณอะไรก็มีรู้ชนกันอยู่อย่างนี้แหละแล้วกลับมาก็มาจากไม่รู้ได้แค่เนี้แล้วพฤติกรรมก็ไม่เคยเปลี่ยนเคยเครียดยังไงก็เครียดอย่างนั้นกินเหล้าเมายาอะไรต่างอีกเยอะแยะหมดเคยฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการไม่เคยเปลี่ยนเลยแต่ไปไหว้พระเจดีตลอดไหว้พุทธเจ้าตลอดแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อันนี้แปลว่าเขาเขา้เขาไม่ถึงไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่ดี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 มันจะเหนื่อยมันจะยากมันจะลำบากขนาดไหนอันนี้ไงถ้ามันไม่มีสิ่งยากแล้วเนี่ยแล้วขันติบารามีจะเกิดได้อ no, ย่างไรวิริยบารมีจะเกิดได้ยังไงฉะนั้นมันต้องมีสิ่งยากอธิฐานบารมีเป <|hi|> ็นต้นจะเกิดได้อย่างไรสัจจบารมีจะเกิดขึ้นได้อย่างไรฉะนั้นยากๆอย่างนี้มันยิ่งยากมันยิ่งได้ใช่ยิ่งยากยิ่งได้ไงเรียนรู้สู้สิ่งยาก โอ้โห oh, พอจะเห็นสิ่งยากขึ้นมาเนี่ยมีพลังมันได้การฝึกฝนพัฒนาตัวเองแต่ถ้าทำง่ายๆไม่เห็นประทับใจอะไรเลยทำแล้วมันรู้สึกว่านึกทีไลภูมิใจว่าสะพานเนี้เป็นสะพานหัว ด, ด้วนที่ไม่มีคนเชื่อมต่อมานานแล้วเป็นศตวรรษแล้วเรากับคิดมุมตรงนี้ได้มีคนบอกและเราก็มีศักยภาพมีพลังมีวิธีการด้วย ถ้ามันจะต่อแล้วหักต่อแล้วหักก็ต่อไปเรื่อยๆให้มีความสุขกับการได้ต่อเชื่อมสะพานนี้เจ่บไหมล่ะถ้าเชื่อมได้ลองคิดดูสิมันช่วยคนแค่คนเดียวให้เข้าถึงพระรัตนตรัยก็ยิ่งใหญ่สูงสุดๆเจ็บไหมเพราะไม่ใช่เป็นแค่ไปกอดเย ด, ดีอยู่ไม่ใช่แล้วเขาเข้าถึงแล้วเมื่อเขาเข้าถึงแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์จะทําหน้าที่ในการที่ชักนําเขา ให้เข้าถึงความเป็นอิสระาเซลิภาเราในฐานนี้เชื่อมไม่ถึงเมื่อเขาเชื่อมถึงไฟคือศรัทธาเขาได้จุดติดไฟคือปัญญาได้จุดติดแสงสว่างในกระแสชีวิตเขามีแล้วแล้วเขาจะเดินทางถูกเมื่อเขาเดินไปในสังสารวัฏเขาจะปลอดภัยช่วยคนได้ไม่แค่คนเดียวก็ภูมิใจอย่างมากแล้นั้นช่วย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 พอไปครบคนผิดพอท่านทราบข่าวท่านก็มามาสอนมาแนะนํากล่อมเกลากระแสะความคิดให้มันม่นคงในความดีพอมั่นคงในความดีแล้วตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารแล้วท่านก็ใคลพ้ปรากฏว่าพรามคนนี้หมดอายุขายตายไปด้วยอํานาจของกุศลที่ทําบันปลายชีวิตทําให้ไปเกิดในสุคติไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนสารีบุตรเธอยังทําภารกิจไม่เสร็จทําไมไม่ทําให้เขาเป็นอิสระเสรีภาพจากกิเลสเล่าภาษารีบุตรต้องตามไปเชื่อมต่อจากคนดีให้เข้าถึงพระรตนาไตรที่แข็งแรงและสามารถกําจัดกิเลสและกองทุกข์ได้แล้วกลับมาพุทธเจ้าบอกว่าสาธุนี่ภารกิจเธอทําเสร็จฉะนั้นการเขียนประวัติศาสตร์พุทธเจดีพุทธประวัติ ที่ได้เพียงแค่ประวัติศาสตร์มันได้ครึ่งเดียวแล้วภารกิจของพวกเธอยังไม่เสร็จพระพุทธเจ้าสรรเสริญครึ่งเดียวเธอจะต้องเชื่อมเขาให้ถึงพระรัตนตรยัยถ้ายังเชื่อมถึงพระรัตนตรัยไม่ได้แปลว่ากิจในการที่เป็นพุทธบริษัทนั้นยังไม่ยังไม่เสร็จถ้าเธอทํากิจที่ไม่เสร็จก็เป็นอนากลาเป็นนากลาจิากรรมันใดทำการงานที่ข้างค้างไม่เป็นมงคล ฉะนั้นจะต้องเป็นอนากราจะกรรมันตาเอตมังคลัลโมตมังต้องกระทำการงานไม่ข้างค้างกิจในการที่จะเชื่อมให้พุทธบริษัทถึงพระรัตนาตายคือพุทธธรรมะสังฆะเธอต้องเชื่อมไมถึงเมื่อเชื่อมถึงเมื่อไหร่แล้วจะได้เป็นผู้ทาการงานที่ไม่ข้างค้างจะได้เป็นอุดมมงคลแก่ชีวิตแล้วก็จะได้เป็นความมั่นใจชื่นใจภูมิใจเป็นกุศลติดตัวเป็นความดีติดตัวกระแสชีวิต ที่จะทำให้พ้นจากอุปสรรคอันตรายเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่พึงมุ่งหวังได้อย่างแท้จริงเพราะจะเห็นชัดไหมอ่าวประเด็นที่หนึ่ง